อนาปฏิวานพิกษุีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ858 1. ภิกษพิุีไปโดยบอกแล้ว 2. ภพิกษุีนั่งบนอัศนาที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ 3. ภพิกษุีผู้เป็นไข้ 4. ภพิกษุีผู้มีเหตุขัดข้อง 5. ภพิกษุีวิกลจริต 6. ภพิกษุีต้นบัญญัตสิขาบทที่หจบ